ตัดฟ้าผ่า que t á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 ต้นไม้ที่ได้สามสิบห้าปีนั้นเรียกว่าเป็นต้นใหญ่พอสมควรเป็นล่มเลาดีเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็ตั้งใจไว้ว่าจะภาวานาให้ได้ตรัสรู้เป็นปุพุตเจ้าเสียทีวิธีใดต่างๆก็ทำมาก็ยังไม่ยังตรัสยังไม่ได้ ยังไม่พร้อมมนพอมาถึงต้นไม้ต้นนี้ต้นโพนี้ให้ชื่อภายหลังเดิมสมัยก่อนก็คงเรียกเป็นต้นไม้อีกอย่างหนึง่งพระองค์ก็มาตังพระไทยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพอมันยังไม่รัดกลุ่มพอยังไม่เด็ดเดียวพอ พระองค์ก็เปลี่ยนเป็นนั่งขับสมาดเพชรซึ่งพระพุทธโลกสมัยนี้ก็พอจะดูได้อย่างว่าหลวงพ่อเพชรจังหวัดอุดรเด็ดหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรก็นั่งขับสมาดเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้เป็นวันฟระพุทธเจา้านั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะเป็นการนั่งให้สาเสร็จเช็จขึ้นไปเสียคือมีอยู่สองอาการอาการหนึ่งถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวนาจิตใจยังสู้กับกิเลสมารสังขารมารไม่ได้ พระองค์ก็ตัดสินใจลงไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดและไม่ไปสแสวงหาอาหารและยินตบาทมายี่มชีวิตถ้าตรัสสู้ไม่ลงตัดสู้ไม่ได้ยังพ่ายแพ้ต่อกิเลสมาพระองค์เลยตัดสินใจลงไปว่าเราจะเอาที่นี้เป็นที่ตายทางรูปร่างกาย ถ้าไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจา้าถ้าได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้โปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นจิตใจก็เลี่ยวันแน่วแน่มั่นคงไม่มีการหวั่นไหวไม่กลัวตายเพราะได้ตั้งใจตายเสไปแล้ว ถ้าใจไม่กล้าแข็งพอก็ยอมตายในที่นี้ชาตหนึ่งแต่เมื่อตั้งสัตยาที่ฐานลงไปกำลังกายก็มีกำลังกำลังจิตก็มีกำลังไม่หวั่นไหวเรียกว่าธรรมใจของพระองค์เหมือนแผ่นดินวางเฉยได้ทุกอย่างทุกประการ ทีนี้พระองค์ก็มากำหนดว่าจะเอาออบายใดมาภาวนาคำว่าพุโทโธพุธโทโธที่เรานึกอยู่เหล่านี้เป็นเรื่องของพระพุธทธเจ้าได้ตัดสลู้แล้วแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตัดพระองค์ก็เลือกด้วยนำประไายใจพระพุธทธองค์เองว่าจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออก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 ลมเข้าลมออกนี้มันแสดงว่าถ้ายังมีลมเข้าออกอยู่นี่ยังไม่ตายยังมีชีวิตยอยู่แต่ถ้าลมนี่หละออกไปเกิดติดขัดสูตรเข้ามาไม่ได้คนนั้นก็ตายพระองค์ก็ตายเหมือนกันถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตายมรณนะกรรมาฐานนี้ก็ เป็นเครื่องเตือนจิตใจของพระองค์ให้สงบระงับเจ็ตใจก็สลดสังเวชว่าคนเราในศาสตร์โลกทั้งหลายความตายมันใกล้ที่สุดมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดมาเบียดเบียนก็ตามถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตาม ออกไปแล้วสูตรเข้ามาไม่ได้ก็ตายพระองค์กำหนดลมเข้าออกด้วยกำหนดมารณะกรรมฐ า, านคือความตายด้วยภายหลังมาเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วก็เอามารณะกรรมฐ า, านนี้มาเตือนพุทธบริษัทด้วย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 เยียว่าสนทราบอยู่ในจิตใจของพระองค์เจตใจของพระองค์ก็สรบสังเวชไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนแต่กเก่ามาเจตใจก็แน่วแน่เย็นสบายเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเจตใจพระองค์ก็เรียกว่าสงบประงับ เป็นสมาธิภาวนาเต็มที่จนกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนของพระองค์นั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเครื่องมันนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสสรุพระอนุตตรสัมมาสัมปพธิยาน นอกจากละกิเลตความโกรธความโลภความหลงตัดกิเลตความโกรธโลภหลงได้แล้วยังละวาสนากิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแต่ว่าละกิเลตพร้อมทางวาสนาก็เป็นอันว่าตั้งพระทยเพื่อจะโปรดเวนยศัตว์ทั้งหลาย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 แต่ว่าคนเราเมื่อยังไม่เคยก็เป็นของยากแท้ที่จริงแงวการนั่งขัดสมาธินั้นขาทั้งสองขามันลงถึงพื้นหมดไม่ใช่เพียงแต่ว่าเอาทับไว้ข้างบนทับข้างล่างขาทั้งสองข้างลงถึงพื้นเรียกว่ารับน้ำหนักเท่าๆกันการ น, นั่งแบบนี้ เป็นการนั่งได้ผลมาแล้วพระพุทธเจ้านั่งมาก่อนพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็หัดทำหัดนั่งให้ได้อันนี้เป็นเพียงระเบียบสำคัญอยู่คือจิตจิตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมแต่มาอาศัยอยู่ในลูกประคันคือร่างมนุษย์ร่างกายมนุษย์ ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกในนี้แรีกว่ามีดวงจิตดวงจิตดวงใจนั้นมีอาการอยู่สี่อย่างเรียกว่านามธรรมทั้งสี่เวทนาหมายถึงจิตใจสเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างที่มันเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขาร ดวงจิตนั้นได้ ว, ว่าไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นอยู่โลกเวทนาสัญญาจำหมายผีดำผีแดงก็จิตทางนั้นแหละสังขารปรงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรอีกก็จิตนั่นแหละ เวน ญ, ญาณเมื่อคิดอะไรต่อมีอะไรก็รู้ตามอาการเหล่านั้นชื่อว่านามธรรมทั้งสีน่นี้เมื่อย่อนย่ อ, อเข้ามาท่านก็ให้ชื่ออีกว่าดวงจิตนั้นมันมีความรู้อยู่ไม่ว่าจิตใจผู้รู้อยู่ทั้งสี่อย่างมารวมว่ารู้อยู่ตาเห็นลูกก็รู้อันนี้และ เป็นผู้โลโฟังเสียงก็รู้อันเดียวกันจังโมกดงจิ่งดิมดิมลดก็จิต ด, ดมงเดียวนั้นะท่านจึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมาสงบอยู่ที่ดวงจิตรู้อยู่ดวงจิตรู้อยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาเทศมาแสดงแล้วจึงมีดวงจิตผู้รู้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 ดวงจิตอันนี้มันยังไม่ตายก็เกิดตายเกิดตายมาอย่างนี้โดยลำดับด้วยอำนาจกิเลสความโกรกกิเลสความโลภความหลงยังไม่หมดไปสิ่งไปจึงมีวิธีการต่างๆที่จะเอาจิตใจดวงนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามีบริกรรมภาวนาเป็นบทเป็นบาร ต่างๆนา น, นามากมายหลวงหลายแต่อย่างไรก็ตามคือว่าอุบายใดอุบายหนึ่งเมื่อเราเอามากําหนดพิจารณาให้ใจเราสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ก็ใช่ได้ทางนั้นจะ ก, กําหนดความตายก็ได้ความแก่ความเจ็บความไข้หรือกําหนดพุทโธธรมโมสังโคอันใดก็ได้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 ที่จะสอนได้ก็คือว่าต้องมีพระพุท ธ, ธเจ้าผู้บำเพ็ญบารามีมาสีอสงไขยแสนมาหมากับจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจมาสอนจิตใจของมนุษย์และเทวดามารถมได้เมื่อพระองค์ได้ตัดสูลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าจริงแล้วจึงได้โปรดเวนยสัตว์ตลอด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 มันต้องทำประกอบถ้าไม่ทำไม่ประกอบไม่ได้ดูอิจ ก, กรรมการงานที่มนุษย์คนเราทำมาหาเลี้ยงชีพโยในโลกนี้ก็ต้องทำต้องประกอบกระทำการงานนั้นจึงสำเร็จเป็นปัจจัยทั้งสี่รอเลี้ยงร่างกายสังขารหนะ้ส่วนธรรมปฏิบัติก็ต้องตั้งใจขึ้นมาเป็นพิเศษ ในคืนหนึ่งๆถือเวลาการกลางคืนเป็นหลักในขั้งแรกก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนนั้นให้ตั้งใจไว้ตั้งสัจจะอธิฐานใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรม เอาพุโทโธหรือมลณ ะ, ะกรรมฐ า, านลงหายใจได้ทางนั้นอันใดเมื่อเรานึกจเจริญแล้วสะดวกสบายในใจของเราก็เอาอุบายนั้นนึกจเจริญจิตใจก็เพ่งเล็งรวมลงไปโตดวงจิตที่ว่าดวงที่โลอยู่เกีจใจดวงที่โลอยู่นั้นไม่ต้องไปหมายที่นั่นที่นี้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 ศูนย์กลางเรียกว่าศูนย์ศูนย์นั่นข้าเขียนหนังสือก็เขาเขียนกลมๆวงรอบมาจอดกันเรียกว่าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติศูนย์ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจุดหนึ่งในจิตเรงทุกคนก็เรียกว่าศูนย์รู้อยู่ดวงจิตที่รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในใจเรานั่นเอง เรียกว่าจุดหนึ่งศูนย์รู้อยู่ที่นะั้นเสียงคนเสียงสัตว์หรืออะไรก็ตามจิตดองนี้เป็นผู้รู้แล้วว่ากล้งนี้แลยเป็นที่ตั้งใจลงไปบริกรรมภาวนาพุทโธก็รวมมานี่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก็รวมมาที่นี่รวมมาอยู่กับจิตใจดวงที่รู้นี่ จนจิตดวงนี้มีสติเด็นที่เรียกว่าสติปฐานสี่ระลึอกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ระลึอกอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนั่นเองรวมเข้ามาที่นี้จนจิตใจดวงนี้สงบระนับตั้งมั่นได้รับความสุดสังเวชไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย จิตใจตรงนี้ก็มีสติเต็มที่มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขได้ด้วยตนเองจิตใจของตัวเองนเจิตใจตรงนี้มีกำลังมีความสามารถอาจฐานพิจารณาทั้งกายและจิตได้ตลอดเ้วงราวภายนอกก็ให้รวมลงว่า ไม่เที่ยนทั้งหมดในโลกเรามาเกิดอาศัยนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีที่ไหนเป็นสุขลงท้ายที่สุดที่เรามายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าอะไรต่อมีอะไรนะั้นความจริงไม่ใช่ของกายสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นของกาเมื่อมนุษย์ที่เกิดมายัางไม่ตาย ก็อาศัยไปตามหน้าที่แต่ถ้ามันแตกดับตายไปแล้วก็ก็แล้วไปในชาติหนึงน่งนถ้ามันยังลุ่มหลงอีกกลับมาเกิดอีกก็ทำไปอย่างเก่านั่นแหละนี่มันเป็นวัตฏสงสารอย่างนี้พุทโธพระพุทธเจ้านั้นท่านมารู้แจ้งรู้จริงรู้ในใจของพระองค์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 ในทางบินธบตอนใบบ่ายเย็นๆตัดพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมตอนพบขําอย่างนี้ก็ประทานโอวาทแก่นักบวชภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีตอนเที่ยงคืนก็เทศให้เทวดาอินทรที่มองด้วยตาหนังไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็น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 จิตห้าอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของสระพุท ธ, ธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้ในโลกเมื่อท่านตรัสรู้แล้วก็ทำกิดห้าอย่างนี้หรือองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ตรัดอย่างนี้องค์ใดที่จะมาตรัสรู้ในโลกข้างหน้าก็มาสอนอย่างนี้แหละสอนให้รู้จักจ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 มันแก่เนี่ยคือว่าแก่ชาราแล้วทำอะไรก็ไม่ไหวอย่างคนแก่ชราบางคนจะลุ ก, กเกลเรอนร้องโวยเสียก่อนจึงลุกได้เวลาจะนั่งก็ร้องโวยเสียก่อนจึงค่อยนั่งเวลาไปวัดไปวาก็คนแก่ก็มักจะไปขอยากับพระให้ขอยากแก้ปวดหัวเข่าบ้าง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 เอาแน่ไม่ได้ไมัแนแย่อนั้นเราที่ยังมีสติระลึกได้อยู่มีสมาธิมีความตั้งใจมั่นยังได้อยู่จงรีบทำทําไมรีบทำจะเสียเวลาจะปล่อยให้อำนาจที่เลสความโกรธความโลภความหลงนั้น เป็นใหญ่ในหัวใจของเราแล้วไม่มีเมืองคอมีพุทธเถพาสิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดไว้ว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่ ม, มาาีอันแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในฤดูฝน แต่ตัณหาในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรมทั้งหลายที่ยังไม่พ้นทุกนั้นไม่มีเมืองขอบได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากได้อย่างหนึ่งต่อไปดีอย่างหนึ่งแล้วก็อยากดีอย่างหนึ่งต่อต่อไปเลวตัณหากามะตัณหาความรักให้พอใจภาวะตัณหา มนความยินดีพอใจในภพในชาติต่างๆวิภวะตัณหาไม่อยากเป็นโน้นเป็นนี่ทันตัวไปตัณหาในใจมนุษย์แต่ทัดทั้งหลายไม่มีที่จบสิ้นลงไปตัณหาในใจจะสิ้นไปกว่ น, นี้แหละรวมจิตให้มาสงบระงับตั้งมั่นให้อยู่ในตัวในใจจริงๆ จนจิตนี้มีสติเต็มที่จนจิตนี้มีสมาธินี่มีสติเต็มที่จนจิตนี้มีสมาธิความตั้งมั่นเต็มที่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 ท่านก็ให้บริกรรมภาวนาตั้งหลักจิตใจให้ได้ถ้าจิตสงบประงับแล้วแม้จะยังไม่เกิดอย่างอื่นก็ตามจิตใจย่อมเย็นสบายไม่เราร้อนแต่ถ้าหากว่าตั้งใจในสมาธิภาวนาไม่ได้แล้วเมื่อเกิดความคิดความนึกอะไรขึ้นมาแล้วมันจะไปตามที่ว่า นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีมันไม่มีที่พอไม่มีที่ตึกที่เต็มได้ว่าไม่สงบเมื่อใดลราไม่ได้จึงจำเป็นต้องลึเริ่มตั้งใจขึ้นมาทีเดียวว่าในคืนหนึ่งหนึ่งยังไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไป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 หลักพระองค์นั้นคือไม่ใช่จะเอาแต่ได้ถ่ายเดียวต้องเพียนด้วยเพียนพยายามทำทุกคืนทุกคืนไปเถิดจะเข้าใจเองปฏิบัติได้เองแล้วก็ในความเพียนนี้ก็มีพุทธภาสิทธิ์ข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดไว้ว่าวิริยนาทุกขมัดเจติ บุคคลจะร่วมทุกไปได้เพราะความเพียรไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมถ้าทําอะไรแล้วมีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วสําเร็จได้ทนันทีถ้าทําอะไรเดี๋ยวก็หมดความเพียรความหมั่นขยันเลิกล่างไปก็เลยไม่สําเร็จเส็จสิ้นไปได้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 การประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละมันจะเกิดมีขึ้นได้ต้องกระทำการงานที่กระทำนั่นแหละมันมันสอนในตัวทำไปปฏิบัติไปไม่ทอดทอนมันก็สอนในตัวนานเข้ามันก็เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันในตัวในใจของบุคคลคนนั้นแล้วว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นด้วยการประกอบกระทำ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 ให้ภาวนาบทใดก็ตามเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก mm. น่นแหละ mm. มันจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติีนเป็นออบายธรรมะในทางพุทธศาสนา เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉันีิส ป, ปีติโยวิวัตฉันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวรรตรยายโยจุกิติคาโยโกภวะ อะพีวาธานาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมมาวทันติอายุวโนโสุขังภากลางขัดสมาเ็ดนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 เมื่อหลับตาแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้แก่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคำนี้ให้นึกให้มันได้สามครั้งเป็นเก้าสามสามเก้า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 แต่เป็นพุท ธ, ธะที่ยังไม่ได้ละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเวลาเรานั่งขัดสมาธิ เ, เสร็จเรียบร้อยท่านให้นึกว่าพุโทโธเอาคำว่าพุโทโธนี่แหละมัดจิตใจของเราให้อยู่ไม่ให้ไปที่ออ่น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 ก็ยังไม่เข้าถึงพุทธโธแท้เรียกว่าถึงพุทธโธแค่สมมติว่าพุทธโธพุทโธพุทธะจริงๆมีโยในตัวคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงเดียวนี้แหละเป็นองค์พุทธโทยภายในถ้าดวงเจตผู้รูนี้ไม่โยในร่างกาย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 มีอาการโยสีอาตัดเวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรเมื่อคิดนึกอะไรต่อมิอะไรก็มีความรู้สึกตามอาการนั้นๆอาการทั้งสี่นแหละรวมเข้ามาให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ จิตดวงผู้รู้อยู่นี้ไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาในร่างกายสังขารของคนเราทุกกคนโดยเฉพาะเวลาเราฟังเสียงแม้จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมก็ตาม เสียงนี่เมื่อมันดังขึ้นมาแลวมันจะลอยไปในอากาศคนหูดีก็ได้ยินเสียงเครื่องหูรับเอาเสียงนั้นเข้าไปส่งเข้าไปไปถึงจิตใจดวงผู้รู้ภายในก็รับเอาว่าทานที่แจงแสดงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรือ นั่นและให้เชื่อจิตดวงผู้โอยู่ในตัวคนเราตั้งแต่เรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่ความจริงคือว่าจิตดวงผู้ลนี่มันมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วหมายถึงลูกประขันร่างกายเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์นั้นก็ต้องมีความตาย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 หากจิตกรงนี้ให้มันสงบตั้งมั่นอยู่ในจังอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนจิตใจดวงนี้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาดีแล้วเมื่อใดจึงจะได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาว่า นามหมายถึงอิรูปหมายถึงตัวรูปนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือที่เราเยึดมั่นถือวัว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของใครถ้าดินมันเป็นของใคร ที่ของเราที่ดินที่บ้านเลือกสวนเลยน่ยนาเป็นของเราเราไปยึดถือต่างหักแต่แผ่นดินมันไม่รับรู้ใครทางนั้นมันเป็นแผ่นดินเป็นน้ําน้ํามันเป็นอย่างใดมันก็เป็นน้ําอยู่อย่างนั้นไฟมันมีอย่างไดมันก็เป็นไฟร้อนอย่างนั้น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 แล้วจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเรายึดถืออยู่มันเป็นความหลงของจิตที่เป็นมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ท้วนแล้เปิดมาพบใดชาติใดมันก็มาทุกมาบนเพื่อลำไลเป็นทุกเป็นร่อนอย่างนี้แหละ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 สมัยขั้นพุทธกาลสมัยประพุทธเจ้าคนร้อยปีคนร้อยยี่สิบปีทั้งคนทั้งพระสงสามมันเนรอายุทันยืนพวกเราเกิดมาสมัยนี้อายุไม่ค่อยจะยืน ไม่นานก็ได้ข่าวคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วบางคนเกิดร่วมพ่อแม่อันเดียวเก้าคนสิบคนสิบเอ็ดชิบสองคนก็ยังมีตายไปหมดยังเหลือแต่คนเดียวก็มีบางคนก็ไม่มีเหลือในลาคือว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อย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 เพราะธาตุแท้ของรูปนามกายใจตัวตนคนเรานั้นมันเป็นธาตุทุกข์กอนทุกข์นั่งเป็นทุกข์ในนั่งนอนเป็นทุกข์ในนอนยืนเป็นทุกข์ในยืนตลอดจนถึงวันตายก็ทุกข์ในวันตายก็ตายไปตายไปมันไม่ใช่วัาแล้วมันไม่แล้ว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 เป็นช่างนาโคกระเบือได้ทั้งนั้นแหละไม่ใส่ตัวนี้มันไปจิตนี่มันไปเกิดมันเกิดมันตายเพราะความหลงความยึดถือถ้าจิตนี้ไม่ยึดถือแล้วยังว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดบังเกิดมีขึ้นคนทั้งหลายก็มักจะ บนว่าข้าพเจ้าไม่สบายแท้จริงร่างกายธาตุสี่เขาไม่สบายยีดใจคนเรานะมันนี่มีตัวตนอะไรถ้าไม่เยึดถือลรมันก็สบายทุกเวลาเจตภาวนาปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆได้สงบจิตใจได้มันสบายที่สุด นั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายทางนั้นแต่ถ้าจิตมันไปยึดหน้ายือตายึดชาติยึดตะโกนยึดเรายึดของของเราทีนี้ก็เป็นทุกข์ละเพราะในโลกเรานี่เรียกว่าโลกกรรมแปดประการ มีความสรรเสริญที่ไหนก็ต้องมีความนินทาที่นั้นมีความสุข ก, กายสบายใจอันเป็นโลกีที่ไหนที่นั่นมันก็มีความทุกข์มันไม่ใช่สุขอย่างเดียวมีลาบก็ต้องมีการเสื่อมลาบมียศมีชื่อเสียงก็ต้องมีการเสื่อม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 ไม่ในสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาใจมันก็ลอยไปลอยมาเหมือนพระตกทวารานั่นแหละไม่ให้ใจิตใจมันลอยไปลอยมารวมเข้ามาสงบเข้ามาพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตธรรมโมพระธรรมก็อยู่ที่จิต สังโคพระสงฆ์สาวกประโยชน์ที่จิตก็คือจิตใจของคนเรานั้นเองพ <c oughs> ระพุทธก็อยู่ที่นั้นถ้าภาวนาละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้คนเราทุกคนก็เป็นสาวกของพระพุทธเก้าได้จริง แต่นั่นในตัวคนเราก็ประพุสปะธรรมปะสงนั่นเองแต่ต้องทำต้องปฏิบัติภาวนาอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าไปสบายแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ได้เพราะกิเลสความโกรธความขัดเคืองในจิตนั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคน กิเลสความโลภคือโลภะเิดความอยากได้ไม่มี